เกี่ยวกับชาติหนึ่งสู่ชาติหนึ่งเขาวัดกันที่คุณภาพตัวความคิดนะวัดที่คุณภาพของจิตใจจิตไปไปตามจิตโลกเนี่ยปฏิสนธิก็คือปฏิสนธิจิตทั้งหลายนั่นแหละเนั้นปฏิจจปฏิสนธิจิตนะที่ใดแห่งหนใดณนะที่ไหนอย่างไรก็สุดแท้แต่ว่าจิตก่อนตอนนั้นอะเป็นอย่างไรเทียบไปอย่างนี้ดีใจนะเอออดีตชาติเราหลุดมาเป็นมนุษย์ได้ยังไงเนี่ยทำบุญอะไรมานะไม่นะมันไม่ใช่ของง่า ย, ยางนั้นนะจะได้กลมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย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 เรีว่าเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากรรพร้าอณาธาแบบสุดๆโจนสุดๆจากอริยทรัพย์ทั้งหลายนี่เราลองมาวัดดูนะคือตรงนี้เราจะหลอกตัวเองหรือไม่หลอกตัวเองก็ช่างเถอะใครจะมั่นใจว่าแม้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ช่างเถอะก็วัดกันที่คุณภาพจิตเพราะจุติไปแล้วหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยนะอัครมเหสีของพระราชาบางพระองค์ก็ไปกระดึบ๊บกระดึ๊บเป็นนอนอยู่ในมูลโคลเนี่ยนะพูดอย่างนี้หลายท่านไม่เข้าใจลอกของมาสมัยเด็กๆ เ, เ, เนี่ยนะเล่าให้ฟัง เคยเมื่อก่อนเนี่ยเคยไปขุดไอแมงกุด จ, จีเนี่ยนะัก็คือแมลงขี้ควายอย่างนั้นเนี่ยแมลงขี้วัวขี้ควายเคยขุดมาหมดแล้ะนะขุดมาเป็นกิโลกิโลนั่นแหละไม่ใช่ขุดมาตัวของตัวด้วยนะเห็นมาหมดแล้วนั้นคําพูดในพระไตรปิฎกเนี่ยนึกภาพออกหมดเลยเนี่ยนะว่านั้นถามว่าเราพ้นจากสภาพแบบนั้นหรื อ, อยังบางครั้งเนี่ยเราไปบางจังหวัดเนี่ยไปเห็นเด็กๆมันขุดอย่างนั้นแล้วก็นึกแว่า อีกแล้วเนี่ยนะใจนี่แป้วขึ้นมาเลยเนี่ยนะเห็นเขาทุบหัวปลาปั๊บกระจนี่แป้วอีกแล้วเนี่ยนะเอ๊ตอนนี้ต้องเป็นโรคปอดจริงๆเลยกลัวไปทุกเรื่องไปหมดนะนปอดก็คืออะไรปอดปปอดเขาจะแหมผวาไปทุกเรื่องนะน ถามว่าถ้ามันน่ากลัวจริงหรือไม่น่ากลัวจริงอะนะเพามันน่ากลัวจริงๆเลยแหละแล้วถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้มันมีแค่ครั้งเดียวมันไม่น่ากลัวหรอกมันมีเป็นคูณร้อยคูนพันคูณหมื่นคูนแสนไม่มีที่สุดไม่มีที่จบไม่มีที่สิ้นบางคนบอกว่าฉันจะบรรลุแล้วจะพ้นทุกข์แล้วอ้ออะไรมา ในถ้ำกลางสภาพบรรยากาศที่เรียกว่าหมดหมดอะไรเลยนะเหลือแต่จิตขนาดนี้แล้วก็ค่อยสร้างคุณภาพจิตตัวเองขึ้นมาได้อย่างไรอา น, นิจจังสิอา น, นิจจังว่ายังไงเออทุกครั้งสิอนัตตาสิไม่รู้หรอกเช่ถอะถึงอา น, นิจจังก็อย่างงั้นอย่างงั้นแหละว่าแต่อาจจะจำจำได้แต่คำว่าอา น, นิจจังแต่ไม่เข้าใจแล้วอะที่เหลือมันคืออะไรทุกทุกเพราะกำลังเจ็บปวดนะทุกพระตัวเองกําลังเจ็บปวดไม่ใช่เพราะทุกเพราะมีปัญญาเห็นทุก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 เสรแล้วก็ฝนตกจากที่สูงมันก็ไหลซาะไปผ่านไปครั้งหนึ่งก็เป็นร่องไปหน่อยหนึ่งไหลผ่านไปครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่มันก็ลงลึกลึกลึกลึ ก, ล ก, ลกเป็นร้อยกิโลก็ได้เนี่ยนะถ้าไหลไปลึกจริงๆเลยก็ได้ใจของเราทั้งหลายก็เหมือนกันเราจะนึกอะไรอ่ะ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 คิดละเอียดมากถ้าใครเรียนอภิธรรมปิดกมายิ่งชัดเลยว่าพระ อ, องค์วัดความคิดทุกละเอียดยิบเลยนะเม็ดความคิดทจุถ้ า, จ, ถา จ, จิตแบบนี้ปฏิสนธิควรจะต่อที่ไหนถ้าจุติจิตชนิดนี้เช่นถ้ามนุษย์จุติปฏิสนธิควรต่อได้ที่ไหนบ้างเรียกว่ามีการเชื่อมต่อถ้า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 แล้วแล้วเรล่าเนี่ยนะแล้วแเราเล่าแล้วแล้วๆเล่าเนี่ยอยู่ซ้ําๆกันเป็นกลับๆก็มีเพราะอะไรเพราะจุติแล้วก็ปฏิสนธิอย่างเช่นภูเขาบดมาทั้งลูกแล้วก็ตายแล้วก็ปฏิสนธิต่อไปอีกนะแล้วก็ลักษณะนี้ท่านจุติจากเดรัจฉานสู่เดรัจฉานจุติจากเดรัจฉานสู่เดรัจฉานมันเดรัจฉานจุติแล้วมาสู่มนุษย์และเทวดามีจํานวนน้อยโดยมากก็ต่อไปล่างๆมากกว่าแล้วจุติจากมนุษย์แล้วเราจะมาไหนอีกอ่ะ เอางี้หนว่าของพวกเราเนี่ยมันคิดอะไรที่มันสูงกว่ามนุษย์เนี่ยมีบ้างไหมเออคิดถึงหีริโอตา ป, ปะเนี่ยนะเอาถ้าคิดถึงระดับมนุษย์ด้วยกันนะคิดถึงกรรมบดสิบได้ไหมถ้าคิดถึงกรรมบดสิบไม่ได้ความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยไม่มีความมั่นคงเลยแม้แต่นิดเดียวชาติต่อไปมนุษย์ก็ยังหวังยากเลยว่างั้นถ้าคิดถึงกุศลกรรมบดไม่ได้ก่อนตายความเป็นมนุษย์เนี่ยหวังได้ยากเต็มที เมื่อก่อนเคยบอกเอ้เราเนี่ยเป็นคนคิดมากอย่างนี้เลยหรือเนี่ยนะจริงเขามาคิดมากอย่างนี้มาสิบสี่ 13, ปีสิบสามสิบสี่ปีนะเมื่อสิบสี่ปีที่แล้วนี่เครียดมากกับเรื่องนี้เฮ้ยจะไปไหนเนี่ยเนี่ยนะตกใจอยู่คนเดียวเป็นวัยรุ่นอยู่ในเงือท่วมเลยบางทีเนี่ยนะนะก็ยังหนักใจแล้วไปเรื่อยๆอีกอะไรแล้วมันก็เป็นเอามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นบวปีที่หนึ่งสองสามสี่นี่ก็ยิ่งเป็นเอามากขึ้น มันคิดมากขึ้นยิ่งเรียนอะพี่ทำบ้างเรียนพระสูตรอ่านพระไตรปิฎกมาเยอะๆเข้าเอ๊ะมันชักจะเป็นมากขึ้นมากขึ้นเอ๊เอาไงดีคะเนี่ยแก้อย่างไรดีะตอนนี้ใครเข้าใจมึงก็ช่วยบอกแล้วทำยังไงดีใอ้ท่องนะท่องโมอิติปิโสหรือว่าว่าอย่างไรว่ า, งง า, วามาอย่านะับอกมาเลยแล้วมันดียังไงเอาแล้วมันแก้ทําไมมันแก้ปัญหาได้แล้วทุกพูดแล้วอธิบายได้นะพูดแล้วชี้แจงได้ทั้งหมดแล้ยแยกแยะได้ทั้งหมดเนี่ยนะเหมือนว่าวิชาเขียนแผนที่เลยมันนั่งขีดให้มันดู ขีด่ดูซิไปยังไงมายังไงไม่ใช่หลอกนะห้ามหลอกกัน น, นะเพราะหลอกก็ไม่เชื่ออยู่แล้วามานั่งขี่ตารางดูว่าความคิดถ้าจุติแล้วควรจะปฏิสนธิที่ไหนบอกทีเอ้เรานี่ยมันคิดมากไปมั้งนี่เราก็เห็นฝูงอ น, นะเดินพอเดินบางทีก็เดินอ น, นะแบกสะพายบาดแบกโกรธเนี่ยนะก็นึกเห็นฝูงควายเออเราเป็นคนคนเดียวก็ดีกว่าควายทั้งฝูงก็แล้วกันอย่างนี้นเามาคิดเท่าข้างตัวเองไง น, นอขอเป็นคนสักคนก็ดีว่าควายทั้งฝูง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 แปล ว, ว่าชีวิตของเราเนี่ยมาคนเดียวนั้นเราจะไปคนเดียวเพราะเราก็ไม่ได้เกิดมาแฝดอะไรเ น, นี่ยนะก็ไปคนเดียวของเราได้มันไม่ต้องมีแฝดหัวติดกันอกติดกันก้นติดกันอะไรไม่มีเพราะเราก็ไปคนเดียวของเราได้แล้วเลือกจะเลือกทําอะไรของเราดีกันเนี่ยกำลังมาคิดคิดคิดขึ้นเนี่ยยิ่งมาเห็นมหาปรินิพานาสูตรเนี่ยชัดเจนเลยว่าถ้าพระอริยเจ้าปรินิพานแต่ละองค์แต่ละองค์นั้นเป็นอย่างไรแล้วปุถุชนทั้งหลาย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 แกล้งให้มันพลาดเข้าไปอีกบอกเฮ้ยไม่รู้เรื่องวุ่นวายอ้ยหนักปวดหัวเนี่ยนะเออตามสบายกันแล้วกันทางใครก็ทางใครเนี่ยนะแล้วก็อะไรพอที่จะปลอบใจตัวเองได้บ้างตอนนี้ก็มีกรรมเป็นของของตนนะนะมีกรรมเป็นของของตนวันีไปอ่านอยู่แล้วอ่านธรรมบทข้อความหนึ่งให้ฟังซึ่งแหมเป็นสูตรที่ชอบมากเลยเขาก็อ น, นะัแทรกระหว่างตอนที่ก่อนปรินิพานว่า